แล้วอ็นบำนำต่อพระไตรีสวัสกับควารบม่ยังเพื่อนสกัดทำไ ม, ม่คือรูวมเจ ร, ริญพัน์เจริญในธรรมไมยังกีญแจบัตรศัสดิวสกาตันเราก็ ม, มาธรรมัดรวมกันอีกวันหนึ่งเริ่มต้นชีวิตตั้งแต่เช้าเช้าปฏิจาฝึกฝนฝึกหัดกับเกาจิตใจของเราเรียกว่าภาวนาปฏิจารใจชิด ได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อไปการภาวนาหรือที่เราเรียกว่าพัฒนาจิตซึงเป็นนรมธรรมก็ต้องอาศัยตัวรู้ผู้รู้เรเรียกว่าตัวสติตัวปัญญา เป็นเครื่องมือเป็นงานยาขนส่งเป็นนมธรรมขนส่งนมธรรมไปสู่ความเป็นนมธรรมเป็นความว่างจี่เดว่างจากความหมายของสุขของทุกข์หรืความเป็นตัวตนต่างๆทําให้เกิด ศิะละปะต่างจิตวิญญาณขึ้นมามันมีพพมีภูมิเป็นอบายภูมิเป็นสุขติภูมิเป็นภูมิที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดเป็นวัตตาสงสารร่างกายเกิดจากท้องแม่เป็นมหาปุตรูปมหาพูด แล้วก็มีการปรุงแต่งที่เราปัจเจกเมื่อสักครู่มีที่อยู่อาศัยให้เขามีเครื่องน่่หอให้เขามียารักษาโรคมีอาหาร <c oughs> ส่วนจิตใจเป็นอุปทานอุปทานยารูปื่อของฝังยากๆอยู่แก็จาเป็น อุปทานคือยึดนะยึดในรูปเป็นกามวจรนวัตถุกามาุนต่างๆรูปปาวจรเป็นรูปอรูปปาวจรมันก็จะจรแวบๆๆจริตจิตเป็นจริตนิสัยนะเป็นจิตวิญญาณ ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเราก็จึงฝึกให้มีสติ ร, รู้ความรู้สึกตัวไม่จย่านั้นก็จะไปตามความเคยชินกุ้นชินเมอราฝึกให้มีที่อยู่มีฐานเรียกว่ากรรมฐานผลก็ไม่เกิดปัญญายาน ก็คือรนะองวิปัสสนาก็คือเห็นเห็นกายเห็นใจเห็นอารมณ์เห็นความคิดซึ่งมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ตลอดเวลาเรากลับมาดูก็เห็นรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆของชีวิตเมื่อก่อนเราเลยหลงมีอวทานมีตัณหามีอวทาน ตอนนี้เราก็รู้เรื่องของกายเป็นอย่างไรเรื่องของจิตใจเป็นอย่างไรมันก็มีความชัดเจนเรื่องของตัวเราแล้ก็โยงไปหาเรื่องของตัวเขาเขาที่เราเคยยึดมันก็เหมือนกับเราตัวเราที่เราเคยยึดยึดกายยึดใจตัวเขา เคยเป็นรูปธรรมเป็นสมมติบัญญัติต่างๆแต่เราก็ยึดมันกถูกรู้ถูกดูถูกเห็นเป็นเกิดการปล่อยวางต่อไปตามระดับขั้นตอนของผู้ปฏิบัติปฏบิบัติมากๆก็เห็นมากหรืออาจจะยึดมากก็ได้แต่ว่ามันยึดเพื่อวางเพื่อปล่อยเช่นเวลาปฏิบัติใหม่ๆจะเพ่งจี้จ้อง มันก็เป็นประสบการณ์ในการยึดยึดตัวปฏิบัติแต่ท้ายส่วนก็ปวางตัวปฏิบัติซึ่งมันจะเกิดความเป็นเองหรือว่ามันเกิดการสังเกตขึ้นมาเกิดการเป็นเองก็คือทุกๆสภาวะของธ ร, รรมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะการเคลื่อนไหวของกายก็เป็นสภาวะธรรมกระทบสัมผัสก็เป็นสภาวธรรมเราวิญญาณมันมีการกระทบสัมผัสมันก็รู้ได้ แต่ว่ามันมันรู้ว่าหลงหรือว่าหลงว่ารู้แต่ง้ามันรู้ว่าหลงมันก็ผ่านได้กลายเป็นปัญญาขึ้นมาทุกกลางที่กระตสัมผัสมันก็รู้สึกก็จึงเป็นลักษณะของการเดินทางมมีสติการรู้รู้ถูก มันรู้มารู้ถูกมัเห็นในอาการรายละเอียดเจนดูกายมัต้องเห็นอาการของกายมาดูกายมันก็ต้องเห็นอาการของจิตมาดูกายของอยากเป็นมันก็เห็นอาการของจิตรายละเอียดลงไปจนถึงจิตเดิมแท้ที่เป็นปกติมาดูไปดูไปไม่เห็นไม่ต้งสติเห็นสติเอง มองเห็นความเป็นปกติเวลาจิตมีสติมีอาการรู้รู้เกิดดับเกิดดับเกิดดับรู้ละปล่อยรู้ละ ว, วางรู้ละ ว, ว่างเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันก็ได้คําตอบก็สอดส่องทำต่อไปเรียกว่าทำเมวิ ย, ยะมีการสอดส่องโดยมองผ่านความรู้สึกตัวอาการที่เป็นธรรมชาติต่างๆที่แสดงนะ ปรากฏความเป็นเองต่างๆเราจะมีเหตุปัจจัยของกันและกันเราก็ได้อ่านได้ต่อรหัสได้เรียนรู้ได้คำตอบจะน้ายสงสัยเกิดความกยันขึ้นมามันมีธรรมะที่พึ่งได้จนจิตใจมั่นคงขึ้นตั้งมั่นขึ้นแน่วแน่ขึ้นรู้ว่า ร, รู้ถูกขึ้น เคยทุกข์มันก็เปลี่ยนได้ทุกข์เบาบางจนถึงขั้นไม่ทุกข์ได้ว่าความคิดไม่เคยเห็นมันก็เห็นถูกรู้เท่ารู้รันทำซ้ำํารู้ซ้ําๆมันก็ชำนานมันเกิดประสบการณ์ของจิตขึ้นมาเรียกว่าความเป็นเองนกขยันมีความขยันอยู่ในตัวตื่นตัวมันก็ไม่ประมาณ พยายามดูแลกายดูแลใจตามลักณะธรรมชาติของสติที่มารู้รูนะ้เกิดความเป็นเองขึ้นมาเกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาเกิดความสงบขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาก็ได้หลายๆอย่างเกิดความวางเฉยขึ้นมารู้ระวางรู้ระวาง ต, ตาก็รู้ละว่างทางหูก็รู้ละวางเห็นอยู่แต่ไม่ปรุงต่อเห็นอยู่แต่ไม่ใส่ความคิดลงไปหรือว่าถ้าจะคิดก็คิดในแง่ของกุศลแล้วทําเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนดีขึ้นมาก็คือการละชั่วทํำดีจงละจิตขึ้นมาครบวงจรจะเป็นธรรมะที่มันพาไปสู่ความพ้นทุกข์นะ เรจะเรียกว่าองค์ทำแห่งการต่จสรู้เพราะว่ามีสติลงไปมีธรรมวิยะลงไปมีวิยยะลงไปเ ก, เ, กมมเกิดปิติเกิดความสงบเกิดปัสสกทิเกิดสมาธิเกิดเวขาวางเฉยกำวางเฉยวางภายในแต่ภายนอกนทางอยู่มีงานกต้องทำงานอยู่เป็นอาการกิริยา ภาในก็ปกติอยู่ก็เป็นอาการเป็นกริยากริยาเราใช้ข้างนอกทํางานนาการเป็นกริยาแต่อาการของจิตเนี่ยมันอยู่ข้างในเราก็สัมผัสกับมันเหมือนกับเมื่อสองวันก่อนเคยพูดจามเรื่องไว้หนึ่กนะ็คือช่วงนี้เวลานี้ให้เระาะมัระวังเรื่องหนึ่งไฟเข้าวัด สองคนวัรักตีพึ่งสามกระรอกกระแตอยู่น้ำเข้าไปในห้องน้ำเร็แล้วกตกถังน้ำในห้องน้ำตายก็อาจจะเป็นบาปเป็นกรรมได้เมื่อวานก็เกิดตั้งสองเรื่องแล้วคือหนึ่งไฟเข้าวัดไฟไหม้มันก็มีสัญญาณบอกเช่นข้อระครังเป็นสัญญาณ มันมากระทบที่หูมันก็เป็นกิริยาที่เราเห็นว่าธรรมชาติมันเคยปกติเสียงไก่กรนเสียงนกร้องถ้าเป็นเวลา11บเนาฬิกาอาจจะมีเสียงะระฆังดังเวลากลุ่มเข้าดัวคลองดังเวลากลุ่มเข้าแต่ถ้าไม่มีกลุ่มมันมีสัญญาณดังเอ๊ะใจมันเกิดอะไรขึ้นถ้ายิง ตีระคังถูกต้องตามสัญญ <called> <Strong. everyday, S 1> าณระคังโจรอย่างเงี้ยนะเราไฟเข้าก็ตีแกงงๆๆๆๆๆรัวให้มันยาวๆก็จะรู้ทันทีอ๋อมันมีไฟโจรผู้ร้ายเข้าวัดแล้วว่ามีไฟมีเรื่องต้องเร่งด่วนอันน้เราก็ตกลงร่วมกันคนที่ จันได้หรือว่ามีประสบการณ์ก็ อ, อ๋อไฟไหม้ก็จะจาขึ้นไปรวมตัวกันจุดไหนนะะหรือมันมีสัญญาณควันัมีมควันข า, ขาวๆอยมันก็บอกรหัสแล้วว่าอ๋อมันมีอะไรผิดปกติเป็นกลุ่มๆอ๋อไหวๆวในคนตีพึ่งตามันก็เห็น มันก็ผิดปกติอยู่ปกติมันก็ธรรมดาธรรมดาทารมพัดมันก็ไหวธรรมดานี้มันไหวแบบก็ยุ่มก็ยุ่มเป็นกิ่งกิ่งมันก็ถอดรหัสทันทีอ๋อมันมีกลตีพึ่งเราจมูกเราสัมผัสกลิ่นกลิ่นไฟไหม้ปกติกลิ่นที่ไฟไหม้ใบไม้สดมันจะชนประกันนะมันก็จะรับรู้ตรงๆไม่ได้หลอก ตาไม่ได้หลอกหูไม่ได้หลอ ก, อกปัญญา่อรหัสมันก็ถอดไม่ผิดเชองรูการการทำนายวเนะี่ยสติมันมีอยู่จันไดก็ดีเวลาปฏิบัติธรรมก็เปอย่างนั้นนะเราเคลื่อนไม้เคลื่อนมือมันก็จะบอกถึงความเป็นปกติสติเป็นตัวสั่งสติที่มันยกมืออยู่เนะี่ยมันสั่ง กตวรร ม, มัฏฐานเป็นเจตนากระทําำเจตนาคิดดีพูดดีทดําดีเจตนาคิดชั่วพูดชั่วทํำชั่วตอนนี้มันเจตนาหนามย่อขนาบ่งไม่ดีไม่ชั่วย่อขม้นมาเฉยๆไปเห็นสภาวะของจิตปกติธรรมดาเป็นธรรมชาติที่มันพึงได้แต่ถ้าจิตที่มันเป็นนั่นนะของกุศล ร, ร, ร, รัตฐามากุศล ร, รรมฐาน เป็นบุญเป็นบาปมันจะมีรสชาติมันจะผิดปกติไปจากศูนย์จุดศููนย์จากศูญญตาจากความว่างมันจะเปลี่ยนเป็นไม่ว่างกันมาคราวนี้เราปรงุงเป็นวัฒนธรรมประเพณนมีเป็นอริยธรรมเป็นกฎกติกาเป็นข้อตกลงร่วมกันมาเกิดความสุขสวยเรวดีขึ้นมาแต่ว่าไอ้ตัวสติความรู้สึกตัวเน มาเห็นสภาพทรรเหล่านั้นนั่นคือความจริงคือความจริงนี่จะต้องเกี่ยวข้องในโลกนี้ยังถูกต้องตามสมมติบัญญัติแต่ว่าความจริงข้างในคือเกี่ยวข้องด้วยความไม่ทุกข์อันนี้เป็นปรมาถาสภาวะกระทบแล้วรู้ทันทีกระทบแล้วรู้ทันทีกททนทเกี่ยวข้องตามหน้าที่มีหน้าที่อะไรที่เราสมมติตัวเราเองไว้เรียกว่าอุปโลกนะอุปโลก เราก็จะได้ไปสงเคราะห์อนุเคราะห์เราก็ดำลีขึ้นมาเป็ลักษณาของการกระทาโดยชอบแเราก็รับผิดชอบต่อไปนีก่การเคลื่อนไหวขึ้นมาเคลื่อนไหวใจปกติตาหน้าที่ในใจปกติรีบแต่รีบแต้จิตมันเป็นปกติที่จะทำงานให้เสร็จอย่างวัาวานผมเริ่มาำมาก็ สังเกตดูออมันมีคนเข้ามาอันดับแรกคือต้องจับให้ได้ก็บอกอาจารย์สมใจว่าเออโทรบอกเพื่อนๆดีหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ดำลีแบบนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมและอาตมาจะไปใอยมันเองวิธีสสยเออหนึ่งมีเครื่องมือหนังกระติกอันหนึ่งมันมีอยู่แล้วช่างวอลมาให้ สองมันมีมีดแผละอยู่ทั้งนั้นก็พกเหน็บหลังไว้ด้วยเจตนาบริจาเอาไปฟันกิ่งไม้เวลามันฝางหรือว่าหน้ำฟันกะพกไว้หลอก็มุดไปทางป่าแล้วใกล้ที่สุดแล้วก็มันก็ไหวตัวทันว่าใบไม้มันแห้งแล้วมันเหียบกำลังกลัวกล้ากลัวกล้ากลักดจุสี่มันไม่มีคนอยู่กดจ um, ุดห้า <overall? |br|>, ก็ไม่แน่ใจมีคนอยู่หรือเปล่าจริงๆแบบนี้ก็ส่งไปก็ดีเหมือนกันให้พระไปอยู่เราแทบก่างรู้ว่าเพราะว่าพอไปเห็นตัวปั๊บก็มันก็เห็นแล้วล่ะด้วยมันได้ยินเสียงมันก็ไวเหมือนกันมันก็มีสติแบบโจรมันก็รู้ว่ารักษาความปลอดภัยเป็นยังไงมันก็เป็นสติเหมือนกันแต่ว่าเป็นสติแบบโรคๆทั่วไป สติหาอยู่หากินเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันของเราที่เราฝึกกันสติปัฏฐานกับจิที่กลับมาหาตัวเองเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเราก็ทำหน้าที่ไปโดยไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นสัจธรรมไม่ต้าเป็นสิ่งที่เราว่าสัมผัสได้ไมันก็ตั้งระดับของนามธรรมจิต ค, คิดเป็นนามธรรมเราก็ต้องสัมผัสได้อย่างไงนะ ตอนหลังนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วล่ะนะว่าติดของเรามันมีนะลักษณะของจริตนิสัยอย่างไรเป็นความเย็นอย่างไรเป็นความร้อนอย่างไรแต่ไม่ได้หมายถึงว่าถูกหมายถึงว่าผิดการตีค่าของสภาพธรรมของเครื่องมือาศาสตร์เช่นกล้องรังสีออร่าหลวงพ่อเอารูปมาให้ดูเมื่อวานเปรียบเทียบกัน ังสีที่ออกมาจากตัวหลวงพ่อมันเป็นสีม่วงพลังงานชีวิตของหลวงพ่อนพลังงานของจิตเนี่ยยังมีพลังงานอยู่ 80% นที่ยังลงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ตามเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนพลังของร่างกายมันก็หมดพลังไปมีอยู่ประมาณ 20% ซนมันหมดพลังมันก็วัดได้ทางทางกล้องแล้วออกไปต่อเครื่อง เทคโนโลยีนาโนแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเอกสารสีมีสีม่วงปรากฏเป็นแท่งการาฟกลมๆขึ้นมามันก็เช็คได้วัดได้พลังงานต่างๆเราไม่ได้หมายถึงว่าดีหรือไม่ดีนะสีแต่ละสีก็มีความหมายสีเขียวี้สีแดงสีเหลืองสีม่วงเป็นพลังงานในตัวเรา เมื่อเรามีสติแล้วก็หยิบสีเหลานี้มาใช้หยิบอาการต่างๆธรรมชาติในตัวของเราเนีมาใช้เป็นความล่าเริงเบิกบานผ่องแผ้วป่องใสอาจจะใสทั้งจิตใจทั้งใสทั้งกระดูกเป็นพระธาตุาอะไรก็ตามหะมันก็เกิดจากการปฏิบัติทั้งหมดถ้าเอาบุหรี่สูบเข้าไปปอดมันก็พังกินเหล้าเข้าไปเนี่ยอวัยวะภายในมันก็เสีย คิดมากๆก็มีปัญหาต่อระบบสมองระบบประสาทเป็นไมเกรนปวดหัวนะปวดมีผลต่อตับปวดมีผลต่อไตก็โยงกันไปโยงกันมาเมื่อเราปฏิบัติเราก็ได้เห็นเห็นความจริงในตัวเราน ะ, นะความจริงหรือเรียกว่าจธรรมธรรมชาติปฏิบัติธรรมเราก็จะได้สัมผัสกับความจริงเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริง เห็นโลกนี้นะสมมุติบัญญัติที่มันมีอยู่ตามความเป็นจริงนะเห็นจริงๆแต่เราไม่ต้องทุกก็ได้นะมีกายกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะมีสมมุติต่างๆสมมติว่าของสินะ่งนี้มีค่าอยากได้ก็มาของสิ่งนี้ไม่มีค่าผนะลักออกไปสิ่งนี้เราชอบเอาเข้ามาสิ่งนี้เราไม่ชอบเอาออกไปยินดียินรไลนะนะนะ่อยากไม่อยากน เมื่อเรามารู้สึกตัวก็กลายเป็นการเคลื่อนไวหวใจรู้เฉยๆใจรู้เฉยๆตัวรู้เฉยๆนะมันเป็นโนเบคขาทำเป็นทั้งมีสติสมาธิปัญญาเป็นโอเวคขาผ่านทันทีนเป็นทั้งพรมถ้าจะช่วยก็ช่วยถ้าจิตใจเป็นเฉยๆมีเมตตามีกัมมนามีเมิตาเบคขาเฉยๆทำเฉยๆทำดีเฉยๆนะ มันก็เลยทําดีได้ทั้งวันแต่จะดีแบบไหนมันก็มีแบ่งกันมาเนีอันนั้นเราก็มาดูที่ตัวเราเองขาดจริงไหนขาจริงนั้นเติมมันนี้ก็เรื่องธรรมดาวิสัยท้งคนทุกคนเรียนรู้ตรงไหนไม่รู้ต้องไปหาเติมเต็มนั้นให้มันรู้เต็มขึ้นไปจะได้อยู่กับโรคใบนี้ก็ได้มันก็จึงไม่ผิดปฏิบัติธรรม อะไรเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ปฏิบัติทั้งมติไม่เกี่ยวว่าดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวว่าได้สัมผัสกับสิ่งที่มันลังปรากฏจริงๆโดยเพราะการเคลื่อนการไหวของกายของจิตตัวสติที่มันดูอยู่เปิดตาดูอยู่ตาที่สามมันเป็นตาในที่มันเกิดมาจากการรู้สึกตัวการรู้สึกตัวการรู้สึกตัวมันก็จึงมีลน้นะของ สติสมัญญะพระเบิดใหม่ก็ได้ยินได้ฟังสติคือการรู้รู้สมั ญ, ญญาคือรู้ตัวทั่วพร้อมจนทั้งในมหาติปทาสูตรพระพุทธเจ้าถึงว่าภิกษุเจอเธอจงทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการเดินก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวภิกษุเธอจะมีความรู้สึกตัวในการเหลียวซ้ววายแหลกว่าภิกษุนะ เธอจึมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการครองสังติจีวรบาทพิกษุทธเธอจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการกินในการเคี้ยวในการเกินพิกษุทธเธอจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการขูดอวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออกพิกษุเธอจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการหลับในการตื่นในการพูดในการนิ่งต่างต่างพิกษุ คือมีความรู้สึกตัวตั่วพร้อมในการถ่ายปัสสาวะอุจจาระภิกษุคึงมีความรู้สึกตัวตั่วพร้อมในการมากมายแล้วกันตัองแตื่นจนหลับนนนนจนกระทั่งเอาความพอใจไม่พอใจถอนความพอใจไม่พอใจในโลกนี้ออกเสียได้มันก็กลายเป็นรู้ซื่อๆรู้จืดๆรู้ใจเฉยๆตามอารมณ์ปฏิบัติแนวหลวงปู่เตียนจิตเทวป สรุปผู้ที่ปฏิบัติเราก็ทําถูกมันก็ถูกทํานะมาถูกทํามันก็ต้องเห็นจะจะทำตามความเป็นจริงเราเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดถูกเห็นเห็นจริงๆเราก็จึงมาเข้าสู่สถาบันสติปัฏฐานวัดป่าสุโตกันไม่ได้มุ่งเรื่องอื่นแล้วก็มุ่งตรงนี้แหละฝึกหัดปฏิบัติให้เกิดพนาการขึ้นมาตามระดับขั้นตอนของอารมณ์ปฏิบัติจริงๆ เห็นจริงๆสัมผัสจริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะนะมันต้องเป็นเรื่องของความดีแน่นอนธรรมะต้องเป็นเรื่องของถูกต้องแน่นอนความดีแล้วก็ต้องถูกต้องนะไม่ใช่ไม่ถูกต้องความดีต้องเป็นเรื่องของความเป็นประโยชน์เมื่อดีถูกต้องต้องเป็นประโยชน์แน่นอนไสยธรรมจะต้องเป็นเรื่องของการสัมผัสตรงๆลงไป ที่กายที่ใจแล้วก็มีความเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ยกมือสร้างยังหวาแล้วก็ทุกข์เป็นไปได้นะ่เป็นไปได้จริงๆอันนี้ยืนยันแล้วก็ความรู้สึกตัวหรือว่าสัจธรรมความจริงนะี่มันจะต้องเป็นเรื่องของความจริงที่ต้องเผยแผ่นะแล้วเป่าประกาศนะทีก็ต้อ ง, องเปล่าให้คนมาดู อย่าช่วันนี้จะมีกลุ่มอบตอมาที่วัดป่าโซโตรนะร้อยหชีวิตเนี่ยนะมันจะมาซ้อนๆกันเน่นเน้นก็เล็กๆมันเน้นเล็กๆดอเด็กต้องนิมนตนะ์เดี๋ยวจะมาบวชกันอีกนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็เรียกว่าต้องมาดูนะสิ่งนี้มนันน่าสะใจนะเด็กทําเด็กก็รู้ผู้ใหญ่ทําผู้ใหญ่ก็รู้ผู้หญิงทำผู้หญิงก็รู้ผู้ชายทำก็ผู้ชายก็รู้ะ จะบวชไม่บวชไม่เกี่ยวเกี่ยวรู้สึกตัวเป็นหรือเปล่ า, ม, ม, ม, ม, า, ล า, ม, ามันมีสิ่งนี้ความรู้ตัวเกิดขึ้นมาสิ่งนี้ก็ปรากฏขึ้นมามันมีสิ่งนี้ความรู้สึกตัวสิ่งนี้มันก็หายไปเนื่องจากความคิดปรุงแต่งที่ไม่ได้ตั้งใจมันจะค่อยๆลดหมดไปทันทีทุกวันนี้ในคนคิดมากจริงๆเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองต่างๆะ มันมีแล้วของสิ่งแวดล้อมสิ่งเล่าต่างๆที่ทําให้ทุกข์ง่ายสุขยากจะเป็นความสุขกระจายไม่ถูกกลายเป็นเรื่องของวัตถุนิยมบริโภคนิยมเป็นเรื่องของบุญนิยมต่างๆที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่ามันพาออกนอกตัวนี้เราก็มาหาเรื่องไกลตัวแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดน ก็เกิดความรู้สึกตัวที่คนอื่นมองมันไกลตัวแปลว่มันกลับอยู่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็พึ่งได้เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องเดี๋ยวแก่ก่อนเรื่องของการไปแบทเดี๋ยวลอก่อนตอนยิงแข็งแรองอยู่เราก็จึงเป็นลนักษณของแนวหน้ายิ่งประสงค์นะเมื่อสองวันก่อนมีเลขาของมหาวิทยาลัยพระครูซึ่งเป็นนักปัฒนา สอนยาเสพติดนนี่เดกที่ติดยาเสพติดในยังวัดใจพวงก็ส่งไปพระมหาวินัยก็ดูแลพระเดขาขงท่านมาตั้งใจไปแล้วทีเนี้ยผมหรืออาตมาก็รู้สึกโอ้ธรรมนาจริงๆอย่างเงี้ยมันตรงประเด็นภาวนาเรเรียกว่ากรรมฐานเป็นเรื่องของนักรบในเครื่องแบบเลยตรงๆการเดินจงกรมการนั่งส้างชักะและยิ่งท่านได้พูดว่า เมื่อวานน่ในสนธนาบทหนึ่งบอกว่าพอได้ยินหลวงพ่อเขียนเทศปั๊บก็ลงมือปฏิบัติเลยเนี่ยมันฟังอยู่ว่าเดินปั๊บลุกไปปั๊บก็เดินกำหนดความรู้สึกตัวเลยโอ้มันอันหน้ามูตนาเดียวฟังแล้วก็น้อมปฏิบัติทันทีเนี่ยตรงนี้แหละมันมันหาได้ยากนะก็คือลรกณของการที่ได้ยินได้ฟัง เราก็ได้ยินไดฟังจากกัลยาณมิตรเราเรียกว่าครูบาอาจารย์ต่างๆในฝั่งของจริงสัจจความจริงเราฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออมันใช่แล้วเราก็น้อมมาไิบัติก็เรียกว่าฝึกสติปัฏฐานมีศรัทธามีความเชื่อลงมือไปบัดลงไปมันมีสติปัฏฐานลงไปปั๊บมันเกิดการแยกกายขึ้นมาแยากแยะได้อะไรคือรูปอะไรคือนามอะไรคือตัวสติ แล้วมันก็จะมีลักษณะการเห็นนิวรธรรมต่างๆขวางกัน้นไม่ให้เราได้ปฏิบัติเช่นความเบื่อหรือว่าหงุดหงิดมัวเหงาหานอนต่างๆร้คิดสับสนไปเป็นการบั่งเป็นพยาบาดเป็นราคะปิติคะเป็นมาณาทิตติต่างๆหรือว่าความหลงเล่หสงสัยเกิดขึ้นมาอย่างนี้อันนี้เป็นลักษณะของการขวางกานกัน้นมื่อมีลักษณะของการกําหนด มันยําถูกต้องก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวน่ะนะเม่นๆจึงเหล่านี้ก็จะหายไปทันทีมันถูกแบกออกมาหาตัวรู้รู้ตื่นเบิกบานทันทีมันเกิดสติปัฏฐานสี่ขึ้นมายองก็เห็นทัวเลี้ยสัตว์สี่เห็นทุ๊กตาเห็นเห็ดแดงตุกเก้าโลจากความทุกข์มันก็ตรงไปตรงมาคําตอบอยู่ที่ความรู้เนาะรู้ตัวตัวเดียวเท่านั้นเองรู้จักหยาบและละเอียดนี้ขึ้นอยู่กับการใส่ใจให้เวลา มีความเปลี่ยนรู้รู้ถูกถูกต้องต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะเพราะนั้ น, น, ะ น, ะ น, ะนะเร่องขององค์ประกอบต่างๆเราก็ต้องประมาณกันอย่างที่เมื่อกี้เราก็จะเวสอยู่โดยไม่ต้องขนขวายเรื่องอาหารการเป็นอยู่ต่างๆเพราะฉะนะ o o ั้นเราก็ถอยทีถอยอาศัยกันอีกวันสองวันสานวันสี่วันคนจะมาอยู่ในวัด น, นี้หลายร้อยคนเราก็ช่วยกันเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสมประกอบ ใครทำตรงไหนได้ก็ทํากันตรงไหนเสริมเติมเต็มให้กับองค์กรแล้วก็ทํากันนะหรือใครไม่ไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะทําอะไรเลยก็อยู่เงียบๆนะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบยเบียนผู้อื่นนะอยู่เงียบๆแล้วก็พฝระวังภายนอกกับคนที่พึ่งไฟไหมนะ้ภายในก็คือความคิดเฝ้นะระวังอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนะอยู่หลายคนให้ระวังคาพูดอย่านงะ มาเห็นว่าสมควรเกิเวลาสําหรับเช้านี้นะก็ขอให้ความประพติปฏิบัติดีของพวกเราหรือว่าการปฏิบอาจารย์ก็คือการเดินทางเพื่อสู่หมดหมายหรือว่าเป้าหมายที่เราตั้งหวังอาไว้ก็จงได้ประสบพบเจอนะความสาเร็จในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันทุกตั้นทุกคนเตอ